หลวงพ่อชากับหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไปหยิบกันเทศของหลวงพ่อชามีคนส่งมาให้ยี่สิบม้วนบังเอิญไปหยิบถูกม้วนที่19เอามาเปิดฟังฟังไปแล้วมันซึง้งมันซึ้งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนเราบวชเป็นพระมหานิกายเรารังเกียจรรมยุทธ พอได้ยินคำว่าธรรมยุทธ์เนี่ยเหม็นเบื่อแล้วเราก็สนใจในการปฏิบัติเราก็แสวงหาอาจารย์ของเราในฝ่ายมหานิกายไปเรียนไปปฏิบัติกับท่านข้อวัดปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านก็เก่งเหมือนกันไม่น้อยหน้าพระปฏิบัติทางฝ่ายธรรมยุทธ์บางท่านไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาฉันแต่เจท่านก็เคร่งถึงขนาดนั้นแต่มามองดูวินยัย บางข้อบางอย่างท่านละหลวมเช่นอย่างการรับเงินรับทองใช้เงินใช้ทองด้วยตัวเองรับประเคณของค้างคืนเอาไว้เก็บอาหารค้างคืนเอาไว้ตื่นเช้าเอามาฉันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่ถือกาลิกหมายถึงสิ่งที่มีกำหนดการเวลาจำกัดเช่นอย่างอาหารนี่เรารับประเคณฉันได้แต่เช้าชั่วเที่ยงน้าตาล เป็นสัตตาหากาลิกรับประเค้นแล้วเก็บไว้ฉันได้ภายในเจ็ดวันแต่จะฉันได้เฉพาะเป็นยาเท่านั้นมีพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าน้ำตาลที่ข้าเอาไว้ที่ตรงนั้นเอามาฉันกับข้าวหน่อยพอไปได้ยินเข้าก็มานึกว่าเออน้ำตาลที่รับประเคนไว้แล้วอนุญาตให้ฉันได้ภายในเจ็ดวันเฉพาะแต่เป็นยาเท่านั้น แต่จะเอามาปนกับอาหารชันนี่มันก็กลายเป็นพวกอาหารต้องอาบัตปาจิตติจึงได้ไปรู้ว่าอ้อครูบาอาจารย์ฝ่ายเรานี่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าหย่อนวินัยบงังคอภายหลังมาก็พยายามลดทิฐิมานะลงพยายามทำใจไม่ให้รังเกียจธรรมยุทธจึงเข้าไปหาพระอาจารย์มั่นไปอาศัยอยู่กับท่านดูข้อวัดปฏิบัติของท่าน ก็เหมือนกับอาจารย์ของเราเหมือนกันทีนี้ในเมื่อมองไปในทางพระวินัยท่านละเอียดคอยดูว่าพระอาจารย์มั่นจะทำผิดวินัยข้อไหนเล็กๆน้อยๆไม่ปรากฏเลยจึงได้มอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านทีนี้มีเพื่อนมาหาองค์หนึ่งไม่ยอมตอนแรกพวกเราก็มีสตางค์ใส่ ย, ย่ามไปเหมือนกันพอตัดสินใจจะเข้าหาอาจารย์มั่น สตางที่มีอยู่ก็เลยมอบให้มหาองค์นั้นเราก็ไปแต่มือเปล่าๆมีแต่บริการประจำตัวเวลาไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านจะให้อยู่ที่ไหนนั่งตรงไหนเราเป็นพระเถระให้เป็นนั่งปลายแถวเราก็เอาคือตอนนั้นธรรมยุทธกับมหานิกายดูเหมือนท่านจะเคร่งสิ่งของที่ผ่านมือมหานิกายแล้วธรรมยุทธจะไม่รับไม่เอาเพราะฉะนั้น อาจารย์ชาไปอยู่กับพระอาจารย์มั่นต้องนั่งปลายแถวเพราะว่าอาหารที่แจกกับข้าวจัดจัดแล้วยังเหลืออาจารย์ชานั่งอยู่ปลายแถวต่อไปก็ไม่มีพระองค์ไหนที่นี้อยู่ไปอยู่มาก็มาสํารวมศึกษาสิกขาบทวินัยอะไรต่างจากท่านอาจารย์มั่นก็ได้ความรู้ความเข้าใจสิ่งใดที่เราเคยละเมิดล่วงเกินเราก็ชาระให้มันบริสุทธิ์สะอาด ทีนี้การปฏิบัติเมื่อจิตสงบแล้วมีแต่ความเยือกเย็นเกิดปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเมื่อก่อนนี้มันก็พอรู้พอเห็นได้แต่ทิฏฐิมานะมันไม่ลดลงพอไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนเนี่ยมันหายหมดจึงได้ยึดเอาท่านเป็นครูบาอาจารย์นี่หลวงพ่อมาซึ้งคำพูดท่านที่ตรงนี้